ดีที่สุดและเป็นเวลาที่เป็นอุ ด, ดมเป็นมงคลพวกเราฟังเทศไปนั่งภาวนาไปด้วยได้ผลมากกว่าเราทำโดยลำพังนะเรานั่งภาวนาแล้วก็ฟังเทศไปด้วยมันเป็นการเตรียมพร้อมยกกำลังสองัง้นจะ ถ้าหากความตั้งใจของเราเกาะอยู่กับเสียงธรรมมีจิตมีสัมผัญญัตื่นโรูเกาะเสียงอัดเสียงธรรมเราก็เกาะไปแต่ถ้าหากไม่สนใจสนใจอารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้พุทโธพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเราก็ตั้งใจภาวนาไปยังไงยังไงหูเราไม่ดับเราต้องได้ยินเหมือนกับเราทํางานอยู่กับบ้านเราอยู่กับบ้าน แขกคนใครมาเรารู้จักห <c oughs> ลวงตาท่านว่านั่งภาวนาแล้วก็ฝังเทศภาคปฏิบัติไปด้วยท่านว่าได้ผลได้ผลดีกว่าเราทําโดยลําพังแล้วเรานั่งการเป็นหมู่มากอย่างนี้ทําให้เราต้องได้ระวังถ้าเราไม่ระวังจะมีกิริยาบางอย่างออกมาให้เป็นที่ปรากฏกับหนุ่กับเพื่อน ไดรับความละอายย่ันว่าความละอายนี้ช่วยให้ผลได้มักได้ผลมาแล้วยกตัวอย่างพระนันทะนี้พระนันทะตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้น้ำฟ้าที่พระุทธเจ้าเอามาเป็นประกันหมู่เพื่อนทั้งหลายซุบซิบเฮนันทะเมื่อก่อนภาวนาไม่ได้หลังจากพระพุทธองค์พา ไปดูนางฟ้าบนสวรรค์ทำไมนานพระตั้งใจภาวนาดิบีๆแล้วเกินมาสราบว่านานพระตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าเพื่อนคนนั้นก็ซุบชิดเพื่อนคนนี้ก็ซุบชิดโอ้อะไรเขาตั้งใจภาวนาเพื่อเอามกเอาผลนี e Halo Halo ่ตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นางฟ้าคนนั้นก็ซุบซิดคนนี้ก็ซุบชิดนานพระรู้สึกละอายแก่ใจ มีความละอายใจใจจะขอมากเอ๊ะทําไมเราถึงไม่เหมือนหมู่ตั้งใจภาวนาเพอยากได้นางฟ้าอะไรก็ไม่รู้ภาวนาวตั้งใจอยากได้นางฟ้าพระพุทธเจ้าพาไปดูนางฟ้า บ, สบนสวรรค์เห็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นรู้สึกน้ําติดปกติดใจมากนันทติดรูปติดรูปจตรี แต่งงานสดๆร้อนๆอนกับนางชน บ, บ, ทบทกระยาดียังไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้ถูกต้องการอะไรกันไปส่งพระพุณเจ้านิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันงานแต่งงานไปส่งพระคุณเจ้าที่นิโคราร า, าพุะคเจ้าให้นทัทอุ้มบาตรตามนาทัทข้ใจร้อนรนจําเป็นจําใจต้องอุ้มบาตตามคิดอยู่ในใจว่า พระศาสดาหันหันหน้ามาเฉี่ยไรเมื่อไรจะมอบบาทคือและจะกลับจะมอบบาทคือจะกลับพระพุทธเจ้าไม่หันกลับมามองมาดูนั้นทระอุ้มบาตตามไปจนถึงนิโครธารามพอไปถึงนิโครธารามพระพุทธเจ้าก็ถามนางทักษ์ น, นางทะเธอจะบวชหรือด้วยความเคารพยำเกรงในพี่ชายนะคนละแม่ นั่ท่านนี่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าคนละแม่เป็นลูกของนางโคตมีประชาบดีโคตมีก็เลยครับปากว่าจะบวดพระเจ้าข้าหลังจากบวชแล้วไม่เป็นธรรภาวนาพระพุทธเจ้าเลยพาอูบายวิธีของพะุทธเจ้าดูทะลุปลุกปลงดูทะลุปลุกปลงหมดเลยพาไปบรรดาใหเห็นนางลิงบรรดาให้เป็นเห็นเทวดาชั้นต่ําๆชั้นส uh ูงขึ้นไปโดยลําด uh uh ับโดยลําดับ จิตใจก็ถอนไปเรื่อยถอนไปเรื่อยถอนไปเรื่อยจิตใจไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยตอนหลังมาถึงมาตั้งใจภาวนาหมู่เพื่อน ส, สุปซิตได้เกิดความละอายคือใจของนังทักถอนมาโดยลําดับที่แรกติดอยู่กับนางสมบุตรลยามีต่อมาเห็นหนังลิงต่อมาเห็นเทวดาชั้นต่าต่ำที่สุดมาจิตใจกับเทวดาชั้นต่าง่ำแล้ยังไงก็ ต้องงานว่านัางชนบทกัลยาณีไปเห็นชั้นนูนขึ้นอีกชั้น น, ขนูขึ้นปอีกสูงขึ้นอีกสูงยิ่งละเอียดยิ่งประนจิตไม่ชอบไม่มีจิตจิตอยู่ที่นาฟ้าพวกพุทธเจงง้าของเราถ้าตั้งใจภาวนาะเราจะเอาให้ต้องการไม่ต้องการถ้าต้องการจะเอาให้แต่ขอให้เตั้งใจภาวนาะกลับมาเลยตั้งใจภาวนาะมูเพื่อนซุปซิปเกิด ค, ความละอายนี่เราพูดถึงก่อนละอายแต่ที่แรก เรานั่งภาวนาการหมู่มากถ้าหากเราไม่ตั้งใจเรามาระหวังหงายทองระว่าให้ดีได้รับความละอายอ <c oughs> เป็นเหตุว่าหมู่มากช่วยพยุงเราช่วยพยุงเราเราก็ยงท่านท่านกับพยุงเราไปได้แต่ถ้าใครตั้งใจภาวนาเด็กเดียวคนเดียวได้เลยครับ <c oughs> นั่งภาวนากับหมู่ก็ได้นั่งภาวนาคนเดียวก็ดีแบบนั้นถือว่าเอาตัวรอด รู้จักบังคับถุลิ้งได้แล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศนี้จะเป็นบรรยากาศที่เหมาะอย่างน้อยๆความละอายที่พูดบางที่ถือว่าโพรามาภานาะร่วมกันเป็นหมู่มากให้มีความละอายมีความเคารพ <c oughs> ยั่งเกรงแต่การและการสํารวมพระมัดระวังมาที่ใจเขาตัวเองเราจะได้รับความสงบความสงบนี่แหละเป็นพลังของจิต พลังจิตตานภาพพลังจิตตาอนุภาพอย่างที่เราได้ยินสถาบันจิตตานภาพอนุภาพของจิตจิตถ้าเราฝึกได้จิตจริงๆถึงจะมีอนุภาพถ้าฝึกไม่ได้จิตไม่มีอนุภาพเ <c oughs> พราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใ จ, จรู้สึกจะประลบุะยาไปหน่อยตั้งใจ ทงใจทั้ใจนั่งฟังและเก็ภาวนาไปด้วยนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุทตจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุทตสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตตสะกาเลนะธรรมะสะกะชา กาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังคัลมุตตมังปูชาจะาปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตะมันตรี <c oughs> โอกาสนี้เป็นโอกาสเป็นอุดม ม, มงคลเพราะเป็นโอกาสฟรางธรรมการสร้างธรรมตอนไหนเป็นอุดมเป็นมงคลทั้งนั้น คำว่ามงคนนั้นคือเหตุแห่งความเจริญเพราะในการฟังนั้นมีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติทำให้เราได้เข้าใจได้รับรู้ได้รับทราบได้รับความเข้าใจได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติได้รับความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มเติมเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้เราได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติท่านจล่ว่าเป็นเหตุให้เกิดจริเกิดมงคล คำว่ามงคลมงคลในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแ ส, สดงไว้นั้นต้องทําเอาทั้งนั้นเราไปดูมงคล38ประการไม่มีข้อใดที่เราไม่ต้องทําและก็ได้ไม่มีเพราะการกระทําเหล่านั้นมันเป็นการสร้างเหตุในเมื่อเราสร้างเหตุลงไปแล้วด้วยเหตุที่เราตั้งใจสร้างเหตุอย่างมีระบบระเบียบระเ บ, บียบตามศีลตามธรรมผล ที่เกิดขึ้นโดยธรรมก็ตามประมาทไม่เหมือนเรปล่อยใจเลื่อนลอยโดยตามอํานาจของกิเลส ข, ของกรรมของวิบากแล้วแต่มาจะาพัดพาหัวใจของเราไปผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแต่ด้วยเหตุที่เราเจริญให้เกิดสวิให้เกิดมงคลในหัวใจของเราผลรายได้จึงเป็นเรื่องของธรรมเราพูดถึงประเด็นหลักประเด็นสําคัญจีเดียวคือการภาวนาให้ใจได้รับความสงบ การที่จะได้รับความสงบนั่นแหละมันเป็นการตั้งใจสร้างเหตุพอราตั้งใจสร้างเหตุไปแล้วผลก็ตามมาพลังจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพก็พคือการตั้งใจเผาหนาะจิตได้รับความสงบนั่นเองจิตได้รับความสงบจิตได้รับสติได้รับปัญญาจิตกิงจะมีอาู้ภาพ แต่ถ้าหาไม่เคยสนใจคําว่าพุทโธแม้แต่พุทโธเราก็ไม่เคยสนใจมรู้จะมีพลังอะไรจะมาเป็นจิตฐานภาพมีแต่พลังของกิเลสตัณหาเต็มหัวใจมีแต่อานุภาพของกิเลสมีแบบมีแต่วัฒนกิเลสไม่มีพลังอานุภาพของธรรมไม่มีวัฒนธรรมคําว่าวัฒนธรรมแปล ว, ว่าจเจริญโดยธรรมวัฒนกิเลสเจริญโดยกิเลสกิเลสมันตามจิต กิเลสตามติดมัวยใจเรามาตั้งแต่กับกันปุรหิตชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้แต่เราได้ธาตรู้ของเรามากิเลสอุบัติมาด้วยกิเลสตามมาด้วยกิเลสเป็นธาตุเคลือนธาตุแฝงมากับผู้รู้ของเราพระพุทธเจ้าชางบารมีพระพุทธโคดมของเรา4ี่อสงไขยแสนมหากัพรรธมสามารถแยก ที่เคลือบแฝงมากับผู้รู้ออกได้เป็นพระศาสดาตั้งตนเป็นพระศาสดาสามารถแยกเกี่ยงปัญหาอุปาทานออกจากงวใจได้เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หน้าที่ของพระองค์มาฝึกฝนอบรมเพื่อแยกสิ่งที่ปนเปื้อนมากับผิดให้เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทราบวาระสุดท้ายที่พระองค์ได้บรรลุอาสวภคยาน เป็นที่พึงพอใจมากที่พระองค์ทรงแสวยหาทราบที่ไปที่ ม, มาของจิตทราบว่าภายในพระทัยของพระองค์นั้นว่างปลอดโปร่งไม่มีกองทุกข์เหลืออยู่แม้เท่าเม็ดขินเม็ดชายเมื่อก่อนนั้นพระองค์เคยได้รับความสงบจากอุทกดาบทอาลารดาบทที่ไปฝึกรูปปะสมาบาตรรูปปัศมบัตรอาจารย์สอนอาจารย์บอกว่าความรู้ของเราหมดแล้ว สมาบัติทั้ง7 เ, เธอเรียนจบหมดแล้วไปเรียนต่อที่อุทกกระดาบุสมาบัติที่8เรียนจบภายในไม่กี่วันอาจารย์ก็บอกว่าเธอเรียนจบแล้วแต่พระองค์หันมาดูพระไทยของพระองค์นั้นจะมีกองทุกเต็มแปร่อยู่ในนั้นอย่าลืมว่ารูปปัสมาบัติอารูปปัสมาบัตินั้นคือพลังของความสงบคืออนุภาพของความสงบของจิต มีพลัมีอนุภาพจริงสามารถดำบินบินบนหอกเหินโดืออากาศได้อะไรก็ได้คืออนุภาพของจิตในสมัยนั้นแต่ไม่สามารถจะชะล้างราคะโทสะโมหะความโลภ ค, ความโก ค, ควา ม, วามดลงออกจากหัวใจได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงมาบำเพ็ญโดยลําพังการบำเพ็ญโดยลําพังเราพูดถึงวันเป็นเดือนหกนั่นเองยามสุดท้ายแห่งตราตรีทํำให้พระองค์ได้บรรลุอาสวบัคยาญา มีญาณอย่างหนึ่งทราบว่าพระไัยของพระองค์เนี่ยกลี่อย่งเปลาหมดจดจากกิเลสตัณหาอาสวะหมดจดจากพระไัยของพระองค์เป็นเหตุให้พระองค์พอใจและพอใจและแล้วก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้พระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตาไม่มีจบเหมือนอย่างที่ปฐมยามกับมัชชิมยามนั่นแหะที่พระองค์เห็น่ะ พเพลวารสารสิทธิยาเห็นพบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายย่อนไปตีกับกีวัตตะกับไม่รู้จักจบและก็ทัางกลางจุตูปปาจียาเห็นสัตว์ทั้งหลังเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยอํานาจของกรรมอะไรมองเห็นทะลุปลุกปลงหดตุอ๊อะไรนั่นเป็นเหตนหหเกิดให้ตายมากมายที่ขณะนี้จึงเป็นเหตุให้พระองค์ภาวนาห ม, มุนไม่หยุดไม่หย่อนด้วยอํานาจของตปะปัดธรรมแต่ยังมีว่าพระจิตของพระองค์เนี่ยละเอียดมาก ละเอียดมากแต่ด้วยเรี่ยวแรงด้วยบุญญาบรารมีที่เคยสัสมอบรมมาจึงสามารถแวกหาช่องทางออกเล็ดลอดออกไปได้จนสามารถแยกสิ่งที่เป็นมวลทินออกจากหัวใจหร้อแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมาปนเปื้อนในหัวใจเมื่อก่อนนั้นเป็น2กับสิ่งที่ปนเปื้อนมากับหัวใจคือกิเลสตัณหาอาสวะกิเลสตัณหาอาสวะนั่นแหละที่ว่าเป็นสอง สิ่งใดก็ตามนับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่าสังขารสังขารสังขารคือส่วนประกอบคือสิ่งประกอบสิ่งปรุงแต่งสิ่งประกอบสิ่งปรุงแต่งสิ่งประกอบเมื่อพ ร, ระองค์แยกยังไม่ได้พระไทยของพระองค์ก็ยังมีกอสังขารอยู่เพราะฉะนั้นภพภูมิของพระองค์จึงเปลี่ยนไปเรื่อยขึ้นสูงบ้างตามบ้างตามอํานาจของบุญของกรรมที่พระองค์ทํา ตกนรกบ้างเป็นสติไร้ชานบ้างเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เป็นอะไรสารพัดพบภูมิเปลี่ยนไปตามบุญตามการรมที่สัสมอบรมด้วยกิริยาการกิริยาวาจากิริยาใจตราบใดที่ยังมีสิ่ล่านั้นปนเปื้อนอยู่ในหัวใจทําดีที่สุดกิดละเอียดที่สุดก็เกิดในเทวโลกก็เกิดในสวรรค์ชั้นพรหมทั้งรูปประรมอารูปประรมสามารถไปเกิดได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น เพราะฉะนั้นเข้าลักษณะที่ว่าขึ้นชื่อว่าสังขารไม่เคยคงที่ไม่เคยเท่าเดิมไม่เคยคงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนอย่างพพชาตของสัตว์นั่นแหละเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่คงที่เกิดเป็นคนเนี่ยบางทีเขาไปทากรรมอย่างไรอย่างนี้ซ้ำๆถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นคนซ้ำๆเช่นอย่างคนเคยฆ่าตัวตายเกิดมาแล้วฆ่าตัวตายเกิดมาแล้วฆ่าตตายห0าอชาติแต่ว่าความเป็นอยู่ของเขาก็ไม่เท่าเดิม แต่ด้วยเหตุที่เขาเคยออกช่องทางตรงนั้นพอมีความจีดตันอั้นตู้ด้วยความทุกข์ทรมานหัวใจก็ออกช่องเดิมก็ออกช่องเดิมจนกลายเป็นนิสยัยแต่ความเป็นไปของจิตจับไม่อยู่ท่าเดิมขึ้นชื่อว่าจะมีสังขารมาเกี่ยวข้องแลจับไม่อยู่เท่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องของนามธรรมานามธรรมาของเร า, าเกิดมาตั้งแต่กับการปุโริชาติใหนเราต่อสัตไม่ได้แต่หากพัฒนาตัวเองมาโดยลําดับสูงบ้างตามบ้างลุ่มๆดอน อย่างที่เราทราบนี้เองทีนี้เรามาพูดถึงรูปธรรมรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของเราผู้เราเกิดในมนุษย์เกิดในปัจจโวการมีกายมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นขันธ์ทั้ง5้าขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวยังมีผู้รู้ที่ปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมาด้วยอย่างน้อยนอ ก, ก็คือขันธ์ทั้ง5นี้แหละ คือสิ่งที่มาปรากฏได้จากผู้รู้ที่ไม่บ่อในสิดทาให้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มีรูปธรรมมีนามธรรมเนี่ยที่ไปที่มาของนามธรรมาเราก็ประรอ บ, บ้างแล้วที่ไปที่มาของรูปธรรมในอัตภาพนี้เราก็ย้อนไปที่ที่ไปที่มาของรูปธรรมของเราได้มาจากไหนเราก็ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ของเราเราย้อนไปย้อนไปย้อนไปตั้งแต่เรานั่งอยู่ในนี้ย้อนไปจนถึงในท้องแม่ เข้าไปในท้องแม่เข้าไปจนถึงวาระแรกทิศท่าของพ่อกับท่าของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่สังขารของพ่อสังขารของแม่ประกอบกันในท้องแม่เป็นกองสังขารกองหนึ่งเป็นการถือกําเนิดเป็นการปฏิสนธิมีกรรมไปกับจิตจิตไปจับจอมีกรรมไปกับจิตแต่ว่าหากไปได้ตามบุญตามกรรมมีคุณสมบัติ ด, ดีก็ไปเกิดในชั้นดีปึ๊ก มีคุณสมบัตกิกลางๆมีคุณสมบัติชั้นเร็วบาทีเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ว่าสักแต่ว่าเป็นมนุษย์เฉยๆเป็นมนุษย์ไม่สมประกอบเป็นมนุษย์วิกล ว, วิการบ้าใบ้อัตภาพร่างกายไม่สมประกอบเป็นไปตามบุญตามกรรมนี่คือชื่อว่ากองสังขารสิ่งที่มารวมกันแล้วไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยสังขารของเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่มีอะไรผลักดันให้ได้เข้ามาพูดรับพูดไปพูดมาก็ไม่พ้นอำนาจของตันหาคือกิเลสกิเลกก็คือตันหาตันหาก็คือกิเลสอวิชชาตันหาอุ ป, ปาทานกิเลสเป็นอันเดียวกันหากเรียกตามกิริยาอาการของมันเท่านั้นเองกิเลสอวิชชาตันหากิเลสอวิชชาตันหากิเลสที่ผลเกิดมาสกิรของเรานี่เองอ เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับตัณหาไหมเกี่ยวข้องกับความอยากไหมเราดูไปก่อนที่เราจะได้ไปปฏิสนธิก่อนที่ท่าพ่อท่าแม่จะไปประกอบกันในท้องแม่อาศัยความอยากไหมอาศัยตัณหาในใจของพ่อในใจของแม่นั่นคือเรื่องของนม า, ามธรรมเราดูอย่างนี้เราเห็นที่เกิดของตัณหาที่เกิดของตัณหาตัณหาของพ่อตัณหาของแม่ ประกอบกันทำให้เราได้ก อ, อ, องสังขารกองหนึ่งกองสังขารกองราของเราก็คือนามธรรมของเราก็ไปจับจองในรูปธรรมที่เราควรได้ควรมีนั่นเองหลังจากไปจับจองในทองแม่กลายเป็นก้อนก้อนสังขารก้อนหนึ่งเริ่มแรกแด้วยน้ําใสๆขยับมาเรือ่อยเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ําล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนือ้อเป็นปัญจสาขาไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรือ่อยเปลี่ยนไปเรือ่อยเปลี่ยนไปเรือ่อย กลายเป็นกองงานพอไปประกอบกันนี้นเป็นกองงานคุ้นชื่อว่ากองงานนี่ทําทุกยักทุกเวลาไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่เคยอยู่คงที่เราดูลักษณะอย่างนี้จะทําให้เราเข้าใจถึงความเปลี่ยนไปของรูปปัถามของเราทําให้เราทราบความเป็นไปของนามธรรมของหักของเราโดยเะรูปปัถามของเราอยู่ในท้องแม่6เดือน7เดือน8เดือนเป็นปัญจักสาขามีหัวมีลําตัวมีขาสอมีแขนสองเดเดือน8เดือน เกเบือนคลอดออกมาในกระบว่างที่อยู่ในท้องแม่ก็ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงจากจากแม่เห็นไหมมีสายรบสายสะดืสู่เลือดสู่อาหารทุกอย่างก็ไปหล่อเลี้ยงตัวเองก็ไปหล่อเลี้ยงตัวเองเป็นกองงานกองหนึ่งไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นกองงานกองหนึ่งไม่เคยอยู่เท่าเดิมจนอายุครอบป๋อนแล้วก็ออกมาตัดสายรอบออ เป็นถารพ่อแม่ก็ป้อนด้วยข้าป้อนด้วยน้ํานมพอโตขึ้นมารู้เดียงสาภาวะารับทานอาหารเข้าจากแกมไปด้วยตัวของตัวเราเองเพราะอะไรเพราะสังขารกอง น, นี้เสื่อมไปสิ้นไปนี่คือความเป็นไปของร่างกายแท้ที่จริงศาสนธรรมนี้เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะศึกษาให้รู้ความเป็นไปของกายความเป็นมาของกายความเป็นไปของจิต ความเป็นมาของจิตแล้วก็จิตกับกายมันเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราศึกษาสิ่งนี้มันเป็นการศึกษาวงในทําให้เราได้หลักได้ฐานเพื่อที่จะมาตั้งใจพิจารณาให้เกิดสมถะตั้งใจพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาก็เป็นการทําลายอวิชชาคือความล้มหลงโมหะความล้มหลงในหัวใจของเราเราเกิดในท้องแม่ ไม่มีใครสักคนที่เอายเลือดสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่ไม่เคยมีแต่พอเรารู้เรียนสาภาวะโตมาเจปีแปปีที่ยี่สิบปีเป็นต้นไปเนี่ยยิ่งจิตๆิตมานะมีความยึดมีความถือว่าเป็นราว่าเป็นของของเราทุพที่าี่พรท่านทรงตรัสแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแต่ด้วยเหตุที่เรายึดถือจนจําเจเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นราว่าเป็นของของเราจริงๆท่านสอนให้พิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา เราหาโอกาสเี่เจพิจารณาพิจารณาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราโผล่ขึ้นมาทีไรอักตามก็โผล่ขึ้นมาทีนั้นเมือนั้นทิชิมาน้ก็โผล่มาทีนั้นเมือนั้นความถือเนื้อถือตัวก็โผล่ขึ้นมาในที่สุดในสังคมที่เราเป็นเราอยู่เนี่ยการถือเนื้อถือตัวทําให้เรามีการทะลาะบอกแวงซึ่งการกันไปจากตรงไหนก็ไปจากตรงนี้เองมีการยึดถืออะไรพาให้ยึดพาให้ถือ ก็ตัณหานั่นเองตัณหาในเราพูดไม่ใช่เราพูด ล, ลอยๆเราย้อนไปดูที่จิตของเราเรารู้ได้ว่าตัณหาในจิตของเราตัณหาคือความอยากความริ่นรนความทเยอทะยานของจิตคนไม่ตายต้องมีจิตคิดนึกริ่นรนทำนุ้นทำนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่นักปฏิบัติจะต้องทําความรู้ทําความเข้าใจว่าอยากอย่างไหนเป็นกิเลสอยากอย่างไหนเป็นธรรม อยากที่เป็นเรื่องของกิเลสนะมั น, ม, นมันอยากด้วยการปีนเปลียวกับศีลกับธรรมเช่นอยา่างท่านบอกให้ให้มีศีลหา้าไม่ค่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประตุกินในกามไม่พูดเท็จพูดเท็จพูดหยาบพูดซอเสียดพูดเพอร์เจอไม่ดื่มโซรามีไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องความอยากตามอำนาจของกิเลสแล้วท่านบอกว่าห้ามค่าสัตว์อยากฆ่ า, าความอยากฆ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอยากรักห้ามลักทรัพย์อยากลัก ห้ามผิดรูปผิดเมียเขาอยากผิดรูปผิดเมียเขามันท้าทายห้ามพูดโกหกมดเท็จยาพูดเท็จพูดเพื่อเห็นประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่รายได้ห้ามบุญสุรามอะไรติดอดไม่ได้ทนไม่ได้แอบดื่มอยู่ร่างไปความอยากที่ปีนเปรียวกันกับชิมกับกับกับิมกับทําแบบนี้มันเป็นการความอยากตามอํนานาจของกิเลสตัณหา แต่ถ้าความถ้าความอยากอยากรักษาสินไม่อยากขาดศินข้อ1นึ่งข้อสองข้ อ, 3, ข อ, 4, ข อ, อยากตั้งสี่ข้อหาศีล5ตั้งใจรักษาศิล8อยากทํากิจให้ได้รับความสมบุบอยากพิจารณาเกิดปัญญาทําลายความหลงของตัวเองความอยากเป็นนี้แบบ น, นี้เป็นมกักเป็นธรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้เราภาวนาะพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นเรื่องของธรรม ในเมื่อเราตั้งใจทำงานโดยเอาทำมาทำงานมันกลายเป็นทำและก็เป็นกรรมเป็นวิบักผลรายได้เป็นเรื่องของทำแต่ถ้าเราไม่เอาทำมากำกับที่จิตเราปลอยให้จิตของเราเป็นไปตามอำนาจของวัตถวนที่เรียกวิเลกกรรมวิบากกิเลกกรรมวิบากบผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลกในหัวใจของเราเราย้อนมาดูว่าเราสนใจกับงานอะไรบ้าง ถ้าเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องร้อยจิตร่องลอยประตามอำนาจของกิเลสกลายเป็นว่าวันคืนล่วงไปเราปรุงในเรื่องของกิเลสกลายเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบัติก็ยิ่งบวกยิ่งเพิ่มเพิ่มปูนทวีคูณไปไม่จบแต่ถ้าหากเราได้ข้อปฏิบัติตั้งใจรักษาสี่ยิ่งตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปจนเป็นอธิจิตตั้งใจพิจารณาให้เกิดความรู้เข้าไปจนจนเป็นอธิปัญญาทำไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยอบรมไปเรื่อย กลายเป็นธทำกรรมวิบัติทำกรรมวิบัติผลรายได้เป็นธรรมทามากมูลจนว่ามีกําลังมากมากกว่าอำนาจของกิเลสจึงจะมากจากับตอก่อนกันกับกิเลสได้ถ้าวันคืนล่วงไปเราไม่ได้คเนินถึงธรรมเลยเราปลให้จิตของเราเนี่ล่องรอยไปตาม อ, อํานาจของโลกตามกระแสของโลกผลรายได้เป็นเรื่องของมันทั้งหมดลูกตาท่านจึงว่าถ้า ไม่สนใจไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ตั้งใจรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้ววันทั้งวันคืนทั้งคืนเป็นผลรายได้ของตันหาทั้งนั้นเพราะฉะั้มันเพิ่พูนไม่มีจบไม่มีจุดจบไม่มีที่จบมนุษย์เรานั้นถือว่ามีคุณธรรมท่านจริงท่านจริงว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมมนุษย์มีสิ่มีธรรมจริงสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ไดอ้อย่างไม่น้อยสิ่งห้าเราอาจจะทะลุบ้างด่าบ้า ง, า ง, างขาดบ้างแต่ยังมี ข้อที่เราตั้งใจรักษาอยู่บ้างจึงเป็นเหตุให้เรามีคนสมบัติพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีศีลตั้งใจรักษาศีลมาบริสุทธิ์กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาผู้ที่มีศีลไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ก็ได้บ้างเสียบ้างบินบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพวกเรานั้นมีความเป็นอยู่ไม่เท่ากันมีการได้มาไม่เท่ากัน มตามหูจมูกจีบกายใจเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าคุณสมบัติไม่เท่ากันบางทีได้คุณสมบัติแค่ว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นเองบางทีคุณสมบัติไม่พอเพราะไปผิดศีลนกนิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบวิบากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่มีเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของการผิดศีลไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์ปไปอบัตเป็นสัตว์อิริชาน ทำกรรมชั่วช้าลามกเป็นเปรตเป็นสารรตเป็นอสุรกายอันนี้เราไม่ต้องสงสัยความดีความชั่วในหัวใจของเรากับความสุขความทุกข์มันบ่งบอกถึงนรกบ่งบอกถึงสวรรค์ความเป็นความเป็นผู้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมรู้ที่ไปที่มาของความดีรู้ที่ไปที่มาของความชั่วรู้ที่ไปที่มาของความสุขของความทุกข์อันนี้แหละ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงว่าโลกสวรรค์รลกสวรรค์มีในหัวใจของเราเรามีศิ่เหล่านี้มันเป็นสื่อบอกถ้าเราทำตำซาตามช้าเลวสามไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในประชามเป็นเปรตเป็นอสุรกายตามเรื่องเป็นสัตว์ในอบายแต่ถ้าเรามีศี่อย่างน้อยมีแค่เป็นมนุษย์มีมนุษยธรรมก็มาเป็นมนุษย์แต่ถ้าตั้งใจดีเป็นผู้มีสิลมีธรรม เป็นผู้มีสิ่งมีธรรมจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นมนุษย์ชั้นปัญญาชนเป็นมนุษย์ชั้นอัจฉริยะชนมีสิ่งมีธรรมมีสติมีปัญญามียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตามีคุณสมบัติมีความสุขมีความเจริญอันนี้คือคุณสมบัติของเราคุณสมบัติของคน ถ้าเรามีคุณสมบัติไม่พอเราไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์เมื่อเหตุที่เรามีคุณสมบัติพอเราจรึงได้มาอุบัติเป็นมนุษย์พวกเรามาบัตเป็นมนุษย์เราภาคภูมิใจเพราะอะไรเพราะมันสมองของมนุษย์พบชาติของมนุษย์พัฒนาไปได้เร็วเหมือนอย่างที่เรา ร, ร, รู้อยู่นี่แหล ะ, ะเรารู้เรื่องทาเรารู้เรื่องศีลเรารู้เรื่องสมาธิเรารู้เรื่องปัญญา ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างแท้จริงเราตั้งอกตั้งใจภาวนาสามารถทีตัวเองไปได้อย่างสูงสุดมีสมาธิมีปรรัญญาเห็นโทษเห็นภัยจริงจังตั้งใจปฏิบัติจริงจังทีตัวให้พน้นได้อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งสามารถถีบตัวไปได้เห็นโทษจริงจังเต็มที่สามารถได้พทุกพโทษในวัฏสงสารไปได้ แต่ถ้าเราไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยเราอาจจะอยู่ไม่เท่าเดิมถ้าเราตั้งใจทําแต่ชั่วช้าละมกตามอํานานจะของกิเลสตัณหามันปลุกฟ้อนในหัวใจของเราให้เราติดข้องกับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ม, มกรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงยึดมัน่นถือมั่นในกรรมคุณทั้งหลายอย่างเต็มแพร่ไม่เคยสนใจที่จ ะ, สะแสวงหาอ่า ศึกษาให้รู้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราไม่มีโอกาสที่จะขึ้นที่สูงได้สามารถพัฒนาต่ําไปต่ำจนถึงที่สุดจุดขั้นไหนเหมือนอย่างพระเทวทัศน์ถึงขัน้นอเวจีมหามหานะรกก็สามารถทําได้มี่พบชาติของความเป็นมนุเป็นพบชาติที่พัฒนาไปได้ดีถ้าหากเราพัฒนาไปในทางที่ผิดตามอํานาจของอกิเลสเราไปจะลองต่ําสุดจุดก็สามารถทําได้ แต่พัฒนาไปตามอำนาจของธรรมของสิ่งของธรรม พ, พัฒนาไปให้ถึงจุดสูงที่สุดก็ได้เท่าความสามารถของใครของเรานี่คือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราทราบที่ไปที่มาของรูปธรรมของเราเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่เป็นกองสังขารกองสังาขารกองนี้เราดูให้เห็นเป็นอุปมาพระเจ้าช่ทรงตรัสว่าสังขารทุกอย่าง มีลักษณะสาอั น, นิจ้อย่งทุกข์คาอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะสามารถทําให้เราเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมให้ตัวเองขยับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพื่อที่จะลดเพืที่จะละเพื่อที่จะถอดถอนเพื่อที่จะชะกเพื่อที่จะล้างจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์อาศัยสติ อาศัยสมาธิอาศัยปัญญานี่เองพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้ประณีตขึ้นนี่คือคุณสมบัติของคนแต่ถ้าหาเราได้มาแล้วเราไม่มีไม่มีความสนใจหรือมีความสนใจน้อยพัฒนาไม่เต็มที่พัฒนาครึ่งครึ่งกลางๆใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่าเราก็ได้อย่างครึ่งครึกลางๆได้ไม่สมภาคสมปรูม กับความเป็นมนุษย์ที่มีมันสมองที่ดีมีสติมีปัญญาที่ดียิ่งพวกเราด้วยแล้วเกิดมาท่ามกลางเป็นพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทเป็นผู้มีโอกาสดีมีวาสนาดีเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เราชะล้าง กิริยาทางกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์แต่ถ้าตรงการข้ามเราดูบางศาง ส, สนาเขาไม่ได้สอนมาที่กิริยาของกายกรรมกิริยาของวัจีกรรมกิริยาของมโนกรรมแต่พุทธิยถาทขาสอนตรงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นเหตุให้เกิดกรรมกายกรรมเราก็ดูที่ห้าสักละะักซับพระพุทธนนวินกรมวจีกรรมพูดเทปพูดยาพูดซอเสียพูดเฟอเจอ ก็ทําลงไปแล้วกลายเป็นไตรกรรมกลายเป็นมโนกรรมกลายเป็นวิจีกรรมกลายเป็นมโนกรรมมโนกรรมมันเป็นเรื่องของปัญญาที่เราต้องสอดส่องพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจไม่ไม่ลบอยากได้ของเขาไม่พยายามบัดกรองร้าเขาที่สําคัญที่สุดก็คือเห็นถูกตามทํานองคลองทำเนี่วิชาเหล่านี้ทุกทีเจ้าท่านจิงทรงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ให้เราตั้งใจ รักษาสินรักษาสินเจริญสินเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามหลักอริยมรรีองแป8ที่พระองค์ทรงสุดเรามาดูข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสแสดงในธรรมจักกับปวัตนาสูตรซึ่งเป็นการแรกถ้าพูดถึงหันทางที่ผิดพลาดการมาสุขาริการุโยกอัตเจริมันานุโยกการมาสุขาริการุโยคคือประกอบตนพัวพันในกา ประกอบต้นพัวพันในกามาาส่งเสริมให้เราติดกับรูปกับเสียงกับเลี่นกับรถกับสัมผัสอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุกามกามที่สำคัญที่สุดก็คือกาลมราคาที่มีอยู่ในหัวใจของเรากามมีความกำหนัดระหว่างเพศอันนี้จะเรียกว่ากาลมราคาอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นยอดของกามาถ้าหากเราปิดเรื่องของกาม ถ้าเราจีดเรื่องของการมเราตั้งแต่รักษาศีลอย่างยิ่งแต่เราไม่สนใจเรื่องการทําสมาธิไม่สนใจเรื่องการทําปัญญาก็จะทําให้เรามีผลมีอานิสงส์ได้สวรรค์สมบัติได้สวรรค์สมบัติโอกาสที่จะได้พรมสมบัติไม่มีการที่เราตั้งใจจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาก้าวหน้าไปสู่ การพ้นทุกข์พ้นโทษในวัดสงสารได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเห็นโทษเห็นภัยเกี่ยวกับเรื่องของตามเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจทำใจให้ได้รับความสงบนั้นคือเราพยายามเอาจิตของเราออกจากตามเมื่อเราเอาจิตออกจากตามได้เราจึงสามารถพิจารณาอักขันที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นไปได้เหมือนเขาเอาเหมือนไม้ไม้สดชุบโดยหยา ชนนชชยยแช่อยู่ในน้ําไม้สดด้วยชุ่มไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยและยังแช่อยู่ในน้ําเหมือนกับพวกเราที่ไม่เคยสนใจเอาจิตออกจากการรมบริโภคการมหมายความว่าเอาไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วยังไปแช่อยู่ในน้ําอีกกายยังไม่ออกจากการมจิตยังไม่ออกจากการรมตั้งใจทําความเพียนอย่างยิ่งยั่ว พุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหน็บเหนื่อยเหน็บเหนื่อยปล่าเหน็บเหนื่อยกลา่เเกลาเพราะฉะนั้นคนที่2เอากายออกจากการมแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากการรมเอากายออกจากการมหมายความว่าเราห่างบ้านหางช่องไปอยู่วัดอยู่ ว, ว, วาอันนี้ตั้งใจรักษาศิ้นแปลเป็นสามนเณรรักษาศี้นสิเป็นพระเจ้าพระสงฆ์สวดศินสองี่สิบแต่เราไม่ได้ตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบ ไม่ได้ตั้งใจภาวนาะให้จิตได้รับความสงบเหมายความว่ากายออกจากกามแต่จิตของเรายังไม่ออกจากกามคิดนึกจะเรื่องของกามเหมือนกับไม้สดส ด, สดชุ่มด้วยยางเอาไปสีเกิดไฟย่อมเป็นไปไม่ได้อ น, นี่เป็นอุ ป, ปมาที่พระพุทธเจ้าท่านอามาสอนให้พวกเราเพื่อให้เราทราบระดับความเป็นอยู่ของเราทั้งไมเราภาวนาเป็นไปทั้งไมเราภาวนาไม่เป็นไปเราเปรียบเส ม, มือนโดยไม้สดชุด่โดยอย่างและแช่อยู่ในน้ํา หมายความว่าเราสนใจในเรื่องของกาถ้าใครสนใจเรื่องเหล่านี้เป็นอัคคีธรรมฐากามสุขาริการุโยกกาโมสุขาริการุโยคเป็นทางต่ำเป็นทางซามเป็นทางเลวและก็ตั้งใจปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสที่จะทําให้จิตของผู้นั้นบริสุทธิได้และอีกประเภทหนึ่งก็คือทรมาน ก, กายอัคคีลรรมฐานุโยคเหมือนอย่างที่เจ้าท่านทำอัิคีธรรมฐานุโยก ต้งกดฟันด้วยฟันกดลิ้นด้วยด้วยเพยดานเนี่ยแล้วกลั้นลมอัดสระสระกลั้นลมหายใจทรมานกายอย่างเดียวแล้วก็อดอาหารทธเิ้าท่านทรงทอดอาหารตั้งแต่ชันอิ่มธรรมดาธรรมดาลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยลด ล, ยลดล ด, ล ด, ล ด, ลดจนเหลือหนึ่งเมตรคิดดูสิร่างกายสูบซีบขนาดไหนสมัยรองธรรมทุกขกรกรมยาน จนขุมขนเนี่ยเน่าทำใหอยู่ร่วงพวกขนร่วงไปนั่นคือทรมานกายแต่แท้จริงความอยากคือตันหามันมีอยู่ที่ใจตันหามีอยู่ที่ใจเราย้อนไปดูที่ใจของเราเราเห็นตันหาเราเห็นความอยากการที่เราทําความเข้าใจรอบรู้เรื่องความอยากเป็นข้อปฏิบัติประจําหัวใจของเรา ความอยากแบบนี้ปีนเปรียวกับศีลปีนเปรียวกับธรรมกับสนทธรรมเนียมประเพณีกับกฎหมายบ้านเมืองเป็นความอยากตามอำนาจของกิเลสความอยากแบบนี้อยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากมีความสงบอยากมีปัญญาอยากพ้นทุกอยากได้อัดได้ทำความอยากแบบนี้เป็นมาทั้งให้ส่งเสริมให้สนับสนุนให้ตั้งใจให้ฝึกฝนให้อบรม เราจำความอยากสองอย่างสองอย่างนี้เอาไว้เริ่มแรกเราพยายามสังเกตความอยากในหัวใจของเราโอ้นี่คือความอยากของจิตย้อนไปที่จิตเราจะเห็นความอยากย้อนไปของที่จิตเราจะเห็นความอยากหักย้อนไปดูความอยากในหัวใจของเราเราจะได้เจอตัญหาในหัวใจของเราเพราะสิ่งที่เป็นศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดก็คือความอยากในหัวใจของเราเนื่องจากจิตของเราเป็นเป็นวัตถุดิบ เราได้มาแล้วเรายัางไม่ได้เคยฝึกฝนอบรมไม่เคยชักไม่เคยล้างไม่เคยซักไม่เคยฟอกไม่เคยมาเกียรนัย เ, เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจปฏิบัติได้ ส, สรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านเป็นช่างเกียรนัยจึงเอาเรื่องของสีของสมาธิของปัญญามาสอนให้พวกเราเกียรในัยใจเกียรในัยใจของเราเนี่ยให้ใจของเรามีพลังมีอานุภาถ้าเป็นเพชรเป็นพลอจะมาเกียรเป็นสันเป็นเหลี่ยม เป็นสีเป็นสันดูแปรเปล่ามีค่ า, ม, คามีคุณค่ามีราคาอันนี้คือคุณสมบัติภายในใจของเราการที่เราตั้งใจเภานณให้ใจได้รับความสงบนั้นตั้งใจรักษาศีลศีลหนุนสมาธิสมาธิาธนหนุนปัญญาตั้งใจรักษาศีล น, นั้นไม่เหมือนกัรให้ทานการตั้งใจให้ทานเนี่ยรับฝากการทำก็รด้เรื่องการให้ทานแต่พอขยับมารักษาศีลปักเราจะต้องทําเอาด้วยตัวของเราเอง ล่าไว้ด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมกายกรรมของเราก็บวกมโนกรรมวจีกรรมของเราก็ต้องบวกด้วยมโนกรรมตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลปับ๊บเรามีข้อปฏิบัตินี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีข้อปฏิบัติเพราะยามพระพุทธเจ้าก็ทําประสงค์นั้นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอย่างนี้ใครตั้งใจมาพึ่งมาระงลึกแล้ว คนนั้นมีข้อปฏิบัติเมื่อตั้งใจไปฝึกปฏิบัติปั๊บมันเป็นการชะล้างกายกรรมของเราให้ดีขึ้นวัฏจีกรรมของเราให้ดีขึ้นก็เอาจิตของเราแหละมาชะมาล้างมาฝึกมาฝนมาอกมารมทําให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นไปของกายกายกรรมวัฏจีกรรมมโนกรรมนี <c oughs> ตน่ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ตั้งใจ เขานั้นจิตได้รับความสงบอย่าลืว่าจิตที่สงบนั้นคือจิตจะเริ่มออกจากกามจิตที่สงบจิตจะเริ่มออกจากกามจิตไม่สงบคือจิตว้าวุ่นไปกับกามตัณหามันพาให้ว้าวุ่นไปกับกามกามก็คืออะไรคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสที่เรียกว่าวัตถุ ก, กามด้วยเหตุที่ใจของเรามีกามอยู่ในภายในที่เรียกว่ากา ม, มทิเลสกามทิเลสจิตในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส คือจิตจิตในการภาวนาให้ใจได้รับความสงบมันสงบจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรถจากสัมผัสท่านจึงให้เรามางภาวนาอยู่กับอารมณ์เดียวครูบาอาจารย์ท่านสอนให้กเราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเพื่อทรอมานใจที่มันเคยดิ้นรนไปตามอำนาจของความอยากให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวเราจับอยู่แค่นี้จนจิตของเราเริ่มเชื่องเริ่มชินเริ่มมีความสงบพอจิตเริมมีความสงบจิตของเราก็ เป็นอิสระจากกรรมเป็นอิสระจากการมในขณะที่เราเข้าสมาธิทํากิตให้ได้รับความสงบจิตของเราที่สนุกสนั่จากกรรมตราบใดที่เรายังไม่สนุกสนั่จากกรรมเราจะบําเพ็ญให้ยิ่งไปมากกว่านี้ยากบําเพ็ญให้ยิ่งยิ่งไปกว่านี้ยากเหมือนอย่างเราเอาไม้สดจุ้ด้วยยางเอาไปสีกันให้เกิดไฟเป็นไปได้ยากพระพุทธเจ้าทระสงฆ์ตรัสรู้เหนื่อยเปล่า แต่ผู้ที่มีใจสงบมีใจออกจากตามแล้วเหมือนกับไม้แห้งไม้แห้งไม่ชุ่มด้วยยางไม้ไม่ส ด, ไ ม, สดไม่ชุ่มด้วยยางด้วยไม่แช่อยู่ในน้ำด้วยเป็นไม้แห้งบรุษเอาไม้แห้งมาเสีเกิดไฟมีโอกาส ท, ที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้มีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้คาว่าไม้แห้งกับจิตแห้งหมายความว่าจิตได้รับความสงบ พระพุทธเจ้าท่านสอนยศกุณบุตรสอนธานุธาตุนักถานาีลกฐาการตั้งใจให้ทาตตั้งใจรักษาสีอย่างที่เป็นเหตุให้ได้สวัรค์บนสวัรค์นั้นล้วนแต่มีแต่กรรมคุณเต็มแปร่้วนุสวรรค์หชั้นเทวโลกทั้งหกชั้นเป็นที่บำรุงบำเรอด้วยด้วยกรรมคุณทั้งทั้งหรุบดีๆตา รูปดีๆเสียงดีดีกลิ่นดีที่อยู่ดีๆอะไรดีๆอนุกติิพอันิกรทิพย์ทิพย์เต็มไปหมดพุทิเจ้าท่านสอนว่าให้ทานรักษาศี่อย่างยิ่งได้สวรรค์อ่าแส้งท่านก็สอนให้เห็นโทษของสวรรค์ที่เรียกว่าอาธีนวะขัดาอาทีนะวะขาสอนเรื่องสวรรค์ให้เห็นคุณค่าของสวรรค์ให้เห็นโทษของสวรรค์และให้เห็นอานิสงส์ของการออกจากกาม อาร์ทีนวัตถาคือให้เห็นโทษของกาบบนสวรรค์นัคือกองกามคขุณทั้งหลายเต็มแปะอยู่บนนั้นการที่จะเห็นโทษของสวรรค์ได้นั้นจะต้องเห็นโทษของกาบมะขุนการที่เอาใจออกจากกาบมะขุนทั้งหลายทั้งปวงเล่านั้นมีอาณิสง์อาทีระวานิสฐ์สาขาฐานมีผลมีอาณาสง์เหมือนกับไม้แห้งไม้แห้งอยู่บนบกบุตรต้องการสีเกิดไฟ เหมือนอย่างพวกเราเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจเจริญศีลตั้งใจเจริญสมาธิอาพุทโธพุทโธพุธโธเพื่อคิดเรืรับความสงบ Alf. สงบอยู่ในขั้นไหนก็ตามสงบอยู่ในขั้นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาน้ดำรงตนอยู่อย่างนี้แหละสงบอยู่แค่นี้แหละจิตไม่ทิ้งคาบริกรรมก็ตามถือว่าจิตเริ่มได้รับความสงบและจิตจะเริ่มเป็นตัวของตัวแล้วเ ม, มื่อจิตเริ่มเป็นตัวของตัว จิตจะเริ่มออกจากการมการออกจากการมคือความสงบของจิตจิตสงบละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยๆเียละเอียดถึงขั้นอิ่มอิ่มไม่ไม่ ด, ดามํางบิดคาว่าพุโทโธพุธโทโธจิตก็ไม่ไปไหนจิตอิม่มเอออยู่กับอยู่กับปีติอยู่กับความสุขอยู่กับเอกคตาจิตเข้าถึงความสุขเอกคตาจิต เข้าถึงอุเบกขาเอกคตาจิตสว่างโลไม่มีกิริยาอาการสงบเป็นการเจ็นคราวอันนี้คือความสงบตามลำดับของจิตจิตที่ได้รับความสงบนี้เองทั้งถือว่าจิตเป็นอิสระจากกรมในเมื่อจิตเราอิสระจากกรมแล้วก็ตามเราก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาพิจารณาพิจารณาเห็นโทษเห็นไทยของกองสังขาร พิจารณาเห็นที่ไปที่มาของรูปธรรมดังกล่าวนั่นแหละพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกองสังขารที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือกองสังขารกองสังขารกองหนึ่งกองหนึ่งไม่เคยอยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมของสังขารเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อ ย, ออยไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละเป็นทุกนี่คือสุกสักเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนี่เป็นเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุก ความไม่อยู่เท่าเดิมเป็นทุกข์เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังอันนี้เป็นกระแสของธรรมที่จะเรียกว่ากระแสของกระแสของสังขารการที่เราเข้าถึงธรรมเหมือนอย่างพระอัญญาปรรูทัญญาเข้าถึงธรรมด้วยด้วยบทธรรมที่ว่ายางกินจสมุทัยธรรมะสับบันตาไโรทัธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี pen, ้คือคือจิตเข้าไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปยอมรับกระแสธรรมอันนี้แหละคือกระแสของธรรมกระแสของธรรมก็คือกระแสของธรรมชาติธรรมชาติรูปธรรมของเราธรรมชาตินามธรรมของเรามีกระแสเป็นไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นกองสังขารใดก็ตามนับตั้งแต่รูปสังขารของเราก็ตามนับตั้งแต่นามสังขารของเราก็ตาม สังขารที่อยู่ในตัวเราเป็นสังขารที่มีวิญ ญ, ญาณครองสังขารนอกตัวของเราเป็นต้นไม้เป็นแผ่นดินเป็นวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบข้างตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณครองมีลักษณะเหมือนกันหมดคือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไม่มีใครไปดัดแปลงให้เป็นอื่นไปได้ไม่มีใครดัดแปลงให้เป็นอื่นไปได้ด้วยเหตุที่ดัดแปลงให้เป็นอื่นไปไม่ได้ หมายความว่าเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังได้รูุ้ทธจ้าท่านจริงสรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอันนี้คือภาวะของสังขารสังขารใดๆในโลกตกอยู่ในภาวะอันนี้เองอันนี้คือเป้าประสงค์ในการตั้งใจศึกษาตั้งใจพิจารณาตั้งใจคน้นคว้าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนให้เราเจิสมาธิและก็มาพิจารณาทางด้านของปัญญาพิจารณาทางด้านของปัญญาไปละเอียดลึกเท่าไหร่ ก็จะเป็นเหตุส่งเสริมสมาธิเจอสมาธิละเอียดลึกไปเท่าไหร่ก็ส่งเสริมปัญญาสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนสมาธิล้มตาท่านให้เราทํางานไปไปสลับกันไปตั้งใจเจริญสมถะตั้งใจเจริญให้เต็มที่จนจิตได้รับความสงบพอจิตมีกําลังพอที่จิตพิจารณาท่านามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือมาพิจารณากองสังขาร เพราะเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ตอนนี้เราหลงสังขารสังขารที่เป็นรูปธรรมของเราเราดูร่างกายของเราหลงหรือไม่หลงเราถามตัวเราเราหลงหรือไม่หลงหลงรูปหลงสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสหลงสัญญาอารมณ์อย่างสารพัด ท, ที่เรามีความรุ่มหลงอยู่กับสิ่งนี้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่หลงเรามาพิจารณากองสังขานี้เองพิจารณาเห็นความเป็นไปของมันเห็นกระแสของมันเห็นด้วยปัญญา พิจารณาซ้ําๆทําแบบฝึกหัดซ้ําๆจนจิตของเราเนี่ยมีความรู้แปลกปราดอาศัศจรรขึ้นมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาญาณเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาญาณแต่ต้องทําอย่างยิ่งยวดเหมือนเขาตั้ง อ, อกตั้งใจสีไม้ให้เกิดไฟเนี่ยสีหุสมมติเราทําไปทํา ไ, ไปทำไปทำแล้วก็หยุดคือทำไม่ถึงทํา ท, ท, ท, ทำทำทำแล้วก็หยุดสีไม้ให้เกิดไฟสีสีสีสสสแล้วก็หยุด โอกาสที่การเสียดสีของของไม้มันจะเกิดไฟมันเกิดมาไม่ได้มันรวมตัวกันไม่ได้นะวิธีทำทำยังไงที่จะได้เปลวไฟใช้ท่านจิงให้ทําอย่างต่อเนื่องทําะทำอย่างสม่สมําเสมอทําให้หนักหน้าเข้าไปเรื่อยมันก็นเราสีไม้เกิดไฟทําสี ส, ส, สีสีไปเรื่อย ส, ส, สีไปเรื่อยสีไปเรื่อยฉนมีสัญลักษณ์ไฟปรากฏโอ้มีควันโอ้มีฐานดำๆโอ้มีฐานแดงๆที่ยากไม่ปล่อยที่ยาก ไม่ปล่อยหมายความว่าไฟจะติกอยู่แล้วถ้าสมมติเราไปหยุดข้าวพอเราหยุดปั๊บความร้อนก็เย็นลงพอความร้อนเย็นลงไอ้ที่แดงๆหมดไปแล้วเหลือแต่ฐ า, านดาๆแล้วคิดได้อีกทําหมาอีกเนี่ยเราสามารถทําสีไม้เป็นได้ไฟใช้เราสีอย่างต่อเนื่องอันนี้เราสังเกตสังการในจริตในกิริยาในการการะทำของเราเองอ่า เห็นสัญลักษณ์ความเป็นไฟเป็นควันปรากฏเป็นฐานดำๆปรากฏเป็นฐานแดงๆขยายไม่ปล่อยเอาตรงนี้เป็นตายคอยได้เป็นตายคอยได้ที่กูบาอาจารย์ท่านบอกเหลือเดนตายเหลือเดนตายนี่แหละเหลือเดนตายตรงนี้แหละไม่ยอมปล่อยเคยปล่อยหลายครั้งหลายหนแล้วปล่อยแล้วก็หลุดไปอีกแล้วปล่อยแล้วก็หลุดอีกไปแล้วปล่อยแล้วก็หลุดอีกไปแล้วไม่ยอมปล่อยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยไม่เหมือนเราเบกไม่เหมือนเราหามการรักษาประคับประคองอารมณ์ตรงนี้ เข้มขนเอาเป็นไฟลุลกปึ๊บเน่ที่เราทําเป็นประจำนั้นมันเป็นการทําแบบฝึกหัดทําให้เกิดปัญญารู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยพอถึงคราวที่มันถึงที่ก็มั น, ม, นมันก็จะเกิดความรู้แปลกประหลาดจิตใจขึ้นมาที่จะเรียกว่าปัญญายาณปัญญาญานหรือยานอย่างหนึ่งปรากฏรู้ว่าเออกระแสธรรมขั้นนี้ระดับนี้ทําให้เราแจ่มแจ้งในหัวใจของเรา เห็นแจงแจ้งในหัวใจของเรัจธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาประทับในหัวใจของพระอัญญาโกธัญญาเนี่ยเป็นเป็นผู้เห็นคุณธรรมที่พระเจ้าท่านมาทรงสเสดงจนพระพุทธเจ้าท่านอดอุทานไม่ได้ัญญาสิวัฏโภค น, นันอยูัญญาสิวัฏโกค น, นันอยพระองค์ไม่อัศจรรย์เพราะว่าพระองค์มีคุณธรรมเต็มเปลี่ยมเต็มพระทยของพระองค์อยู่แล้วแต่ในเมื่อลูกจิต ปรากฏผลอย่างนี้ขึ้นมารองรับพระองค์ได้พระองค์อดที่จะอุทานออกมาไม่ได้พระัญญาโกณทัญญาถึงได้คิดว่าอัญญาโกณทัญญะนําหน้านี่กลายเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกพระอริยสงฆ์หนึ่งองค์ท่านเรียกว่าพระอริยพระอริยสงฆ์ยีพระอัญญาโกณทัญญะเรามาดูปัญจวัคคีทั้ง5ถึงแมว่าเขาจะมีสมาธิสมาบัติถึงขนาดนั้นก็ตามไม่แย่ว่าบุญบารมีส่วนเรื่องของปัญญาไม่จะตามตามการคันอ ต้องขยับมาเรื่อยวันที่2วันที่สวันที่4 ว, วันที่หทั้ง5องค์นถึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดพระวพทะเจ้าท่านจึงแสดงอนัตตะละคณสูตรพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตนเรามาดูอุทุกขดาบทอ า, าราธดาบทรู ป, ปรสมมาบัตารุร ป, ปรสมมาบัติพอเขาได้ถึงขั้นนั้นแล้วเขาก็ติดอยู่แค่นั้นเอง หาทางออกไม่ได้หาช่องออกไม่ได้เพราะไม่มีบุญญาบารมีไม่ได้สรบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าต้องการให้มีอัตตาตัวตนเพื่อรองเท้ความสุขเราจะถือว่าเรามีความสุขได้ยังไงถ้าหากไม่มีผู้เสวยสุขเ่ยเพราะฉะนั้นอัตตาตัวตนนี้ปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานของพระามจริงเป็นอัตตาอัตตาอัตมันอัตตาเต็มแปร่ที่เรียกว่าอัตมันอัตตมันนิพพานของพราาม ตายแล้วไปเกิด บ, บนบนโลกพระพรมไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมที่ที่เรียก ว, ว่าเป็นปรมาตารย์ธรรมอันนี้ก็ว่าเอาเฉยๆว่าเอาเฉยๆว่าพระพรหมเที่ยงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าพระพรหมก็ไม่เที่ยงพระพรหมมีโลกของพระพรหมจํากัดมีโลกจกํากัดมีอายุจํากัดเมือ่อพระพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีสี่อสงไขยแสนม ห, หากเรร่นนานขนาดนั้นมันก็สามารถเต็มแปร่ขึ้นมาได้บางองค์ แปะอาสงไขยแสนหมากับก็สามารถบังพิบน เ, เต็มแประขึ้นมาได้ระยะการเวลาที่ยืดยาวขนาดนั้นบางประเภท16อาสงขขยแสนหมากับยาวขนาดไหนการเลื่อนนานของระยะการเวลาบนโลกพระพรก็หมดได้เช่นเดียวกันแต่ด้วยเหตุที่อายุยืนพระพงพระครเขาถือว่าพวกเขาไม่เที่ยงเที่ยงอันนี้เร า, เามาเทียบกันให้ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอนัตตาธรรมกลางอัตตาในสมัยนั้น เป็นส <Ah, ิ่งที่อัศจรรย์แปลกประหลาอัศจรรย์มากในเมื่อเราบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเราควรจะยึดหรือว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเรานนั้นเป็นเราไม่ได้สมาธิสมาบัติทั้งหลายทั้งปวงเราก็ยึดไม่ได้อันั้นก็ยึดไม่ได้อันนี้ก็ยึดไม่ได้อัตภาพร่างกายอะไรก็ยึดไม่ได้ความดีใจก็ยึดไม่ได้ความเสียใจก็ยึดไม่ได้อะไรก็ยึดไม่ได้บังคับอะไรให้เป็นไปตามใจหวังสักอย่างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลย ลอยให้เป็นไปตามภาวะของมันกลายเป็นอนัตตานี่คือคําว่าอนัตตาอนัตตาโผล่ตรงนี้ที่ท่านว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ไม้ความไม่มีมีอยู่แต่เราบังคับให้เป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้เรามีตาเราบังคับไม่ให้ตาเราฟาเราฟางตาบอดเราบังคับได้ไหมผมไม่ให้มันงอกเงี้ยอัตภาพร่างกายไม่ให้มันขยับขยาย ว่าอยู่ร่างไปเงี้ยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำเดี๋ยวดังอ๋เดี๋ยวนเดี๋ยวนี้โตแต่งอยู่อย่างนั้นยังไม่จบไม่สิ้นเราทูที่เราพยายาตัดเกณฑ์มันชัดเท่าไหร่เพื่อให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองแล้วก็ท่านบอกว่าต้องแก่ไม่อยากแก่ตัณหามันดอกไม่อยากแก่รั้งกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บตัณหามันไม่อยากเจ็บคือมันอยากอยู่มันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บและมันก็อยากไม่ตาย ตันหาบแลว่าความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บ อ, อยากไม่ตายบังคับได้ไหมบังคับอะไรไม่ได้สดักอย่างอันนี้คือความโง่เขลาของตันหาการที่เอาจิตของตัวเองไปตะเกียบให้สิ่งนั้นเป็นไปตามใจหวังของตัวเองสิ่งนี้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองทั้งทังที่สิ่งเหล่านั้นเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเมืออย่างร่างกายได้มีเหตุมีปัจจัยของเขาร่างกายประกอบ ด, ด้วยดินน้ำลมไฟ ร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเหตุ hey, ปัจจัยของเขาคือดินน้ำลมไฟเราอยู่ในท้องแม่เราก็ดูดเลือดเนื้อจากแม่ไปก็เป็นดินน้ำลมไฟออกมาเราบริโภคอาหารด้วยตวงตัวเรเีก็คือบริโภคดินน้ำลมไฟสิ่งนี้มันเกาะกลุมกันได้มันก็เปลี่ยนไปมันก็ขยะไปมันไม่เคยคงที่มันไม่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมแต่ใจมันต้องการให้ ร่างกายมันเป็นไปตามใจหวังของมันไม่อยากให้แก่ไม่ให้เจ็บทั้งๆที่มันจะต้องเจ็บถ้าะมันขัดตรงนั้นมันย่อตรงนี้เป็นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งสารพัดที่มันจะมารุมล้อมอัตภาพร่างกายคือกองทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจริงว่าปั้จุปาทานขันธ์าทุกขาการอุปาทาในขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือกองทุกข์เรามาพิจารณารูปธรรมของเราพิจารณานามธรรมของเรา แท้ที่จริงเราพิจารณาขันทั้ง5้าเราพิจารณาเพื่อปองเพื่อปล่อยเัื่อวางเราไม่ได้พิจารณาเพื่อยึดเรามาพิจารณาดูริยาศัลย์ทั้ง4เรายึดไม่ได้สักอย่างยึดได้อย่างเดียวคือมัทธุกเนี๋ยเราพอยึดไม่ได้มีไว้สยาศับให้เราพิจารณาสมุทัยยิ่งยึดไม่ได้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปวะตัณหาในการปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปแยกการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปวะตัณหา เราดูไปที่ความอยากดูไปที่ความอยากและมันจะรู้มันจะเข้าใจตัวเองอมันจะแยกเพรามันเองมันจะเข้าใจเองว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทุกเรายิดไม่ได้สมุทัยคยิดไม่ได้นิโรธเราก็ยิบไม่ได้นี่ก็คือผลที่เราตั้งใจปฏิบัติไม่ได้สมาธิเราก็ยไม่ได้ตั้งใจยึดยึดยึดอาวันนี้คืนดีอา้าวเสื่อมใช่แล้ว มีความรู้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้แจมแจ้งอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันยังไม่ใช่ปัญญายานมันยังไม่คงที่ยึดไม่ได้อะไรยึดไม่ได้นิโรธเราก็ยึดไม่ได้แม็แต่คุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่คงที่ยังไม่ถึงวิวมุติหลุดพ้นอย่างแท้จริงยึดอะไรไม่ได้สักอย่างพอพ้นนั้นไปแล้วหมดความยึดกันปล่อยกันยึดได้อย่างเดียวคือมร์เท่านั้นเอง ยึดสินอย่างยิ่งวิสมาธิอย่างยิ่งยึดปัญญาอย่างยิ่งการยึดนี่มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเช่ย่างยึดกายยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณหิรึดยึดเกี่ยวกับเรื่องตายเราน้อมมาที่มหาสิปบฐานยึดเกี่ยวกับเรื่องของเวทนายึดเกี่ยวกับเรื่องของจิตยึดเกี่ยวกับเรื่องธรรม เขาว่าทําำทำในมหาชนิตาฐานที่ท่านพูดเอาไว้นั้นก็คือธรรมารมธรรมอย่างหนึ่งเป็นประเภทธรรมารมณ์ทําอย่างหนึ่งก็ประเภทธรรมะที่เกิดผลปรากฏขึ้นเช่นอย่างสมาธิสมาบัติหรือปัญญาได้ภูมิชั้นแต่ยังไม่จบชิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นมิรออันนี้เราถือเป็นผลไรายได้เรายึบไม่ได้เรายึบได้แต่เหตุท่านตั้งอกตั้งใจทำแต่เหตุเท่านั้นเอง เราพิจารณากายเรากาหนดดูกายตามหลักของอริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสที่พระพุทธเจ้าท่านมาสมคบค้นคว้าค้นพบเนี่ยอุทกดาบดัอราลัรดาบดัไม่เคยสวนท่านเพราะบุญญาบารมีของท่านมาดลใจให้พระองค์เนี่ยสบไปสบมาสบมาสบไปถูไปถูมาถูมาถูไปเป็นตะปะทำแผลเผาไปแผลเผามาแผลเผามาแผลเผาไปเข้าลักษณะของเหตุของผลทุกสมุทยัย ที่โรดมัเป็นเรื่องของเหตุกับผลเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุอันนี้เหตุอันหนึ่งเป็นเหตุเพ anyway, ื่อละทุกข์เหตุเพื่อละทุกข์นั้นคือมรรคอันนี้เรายึดได้ยึดได้เต็มร้อยยึดได้เต็มที่เหตุอันหนึ่งเรายึดได้เราตั้งใจทําเหตุอันหนึ่งเพื่อละทุกข์เราตั้งใจเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุเราเกิดความทุกข์ คือตัณหาอนะีกเป็นเหตุให้ให้ให้เราเกิดทุกข์เราจะได้ขันขันห้าก็ตามบางประเภทขันห น, นึ่งบางประเภทขันสี่เงี้ยขันแบบไหนก็ตามถือว่าจะต้องจะต้องไปมีพบชาติที่จะต้องไปอุบัติไปอุบัติที่ไหนก็คือกองทุกกองทุกอันนี้มีไว้สําหรับดูเช่นอย่างเราพิจารณาร่างกายร่างกายของเรานี่แหละเป็นกองทุก เราพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารขีดยานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่แหละคือกองทุกสุปแล้วคือรูปประธรรมกับนามธรรมาอันนี้เป็นกองทุกเพราะฉะนั้นเราตั้งใจมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นการกําหนดดูทุกหลวงตาท่านบอกว่าให้กําหนดดูทุกตัวย้อนมาดูตัวสมุทยัยสมุทัยก็คือตัณหามันเกิดมันเกิดที่จิตสมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิตสมุทัยไม่ใช่กาย กลายเป็นผลของสมุทัยกลายเป็นผลของตัณหากลายเวทนากล า, ายรูปเวทนาสัญญาสังขานย์วิญญาณเป็นผลของสมุทัยเป็นผลของสมุทัย <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดทุกแลัก็ย้อนไปดูสมุทัยดูที่จิตการที่เราตั้งใจปฏิบัติถึงจิตอันนี้เราจะเห็นความเกิดดับของตัณหาได้ตัณหามันเกิดดับตัณหามันเกิดเกิดที่รูปดับที่รูป เกิที่เสียงดับที่เสียงที่กลิ่นเกิดที่รถเกิดในอายตนะทั้ง6เนะ่ยเกิดกับอะไรมันก็ดับการนั้นเกิดตรงไหนก็ดับกับอันนั้ น, ต น, ต น, น, นแต่มันเกิดที่ใจตราดที่ใจไปยึดเข้าเรามาดูกระบวนการของตัณหาที่มันเกิดขึ้นมาอาวิชชาเป็นปใจใัจจัยเกิดกองสังขารกองสังขารที่เราอธิบายมาแล้วสังขารคื อ, ค, อคือสิ่งที่ประกอบไม่ไม่ไม่ใช่สีที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นสีประกอบ สิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากองสังขารไม่เคยคงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรืยหาอุบัติขึ้นมาด้วยอํานาจของอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้มันก็เป็นวิชชาด้วยเหตุที่เราไม่รู้เหมือนอย่างเราไปหลงทําความชั่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเราไม่รู้ทําแล้วถึงรู้อ๋อทุกข์มัดคออยู่แล้วเหมือนปลามันไม่รู้ว่าโอ้ เหือ น, นี้มีเด็ดเกาะ อ, อยู่มันมรู้เห็นแต่เยื่อเยอะมันก็งับอ่าเด็ดกเกาะใช่แล้วนี่คือมันคิดโดยอัตโนมัติของมันเรามาดูอวิชาปัจจุบันสดๆร้อนๆในหัวใจของเราโดยเฉพาะตัญหานี่มันส่งมาเป็นล้อเป็นอัลลอกเช่นอย่างตาเห็นรูปเกิด ค, ความรู้สึกเป็นวิญญาณเป็นผัสสะเกิด ค, ความรู้สึกเอ็นของการรู้สึกคือ สุขทุกอุเบกขาคือเวทนานั่นแหละอันนี้เป็นเกียนของความรู้สึกถ้าตัณหามันอยู่ในหัวใจของเราเกิดเวทนาพักมันก็ยินดีสิ่งที่ดีมันก็ควรจะยินดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ใจยินร้ายสิ่งที่ชอบใจมันก็ยินดีสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ยินร้ายแต่ถ้าเราตั้งใจเจริญสติดํารงสติมั่นคงเต็มแปร่รูอยุ่เฉพาะหน้าเวทนาถ้าก็ว่าจับเท่าเวทนา ดูให้เห็นสัพทวเวทนาและก็ดับศัพทวเวทนาและก็ดับสมมุติตัณหามันเกิดปั๊บมันเกิดปั๊บเรารู้ทันมก็ดับเกิดจากเวทนานี่แหละเวทนาก็คือรู้ว่ามันดีรู้ว่ามันไม่ดีรู้รู้ว่าดีคืยึดรู้ว่าไม่ดีก็ยึดอุเบกขามันก็ยังยึดอีกเพราะมันยังเป็นกองสังขารอยู่มันก็ยังต้องยึดอยู่โดยเหตุที่มันยึดเหล่านี้เองเลยเป็นเหตุให้เรามีอุปาทาน มันยึดทีไรเมื่อไรนั่นตัณหาแทรกเข้ามาที่หัวใจของเราแล้วยึดเข้ามาที่ไรเมื่อไรตัณหาแทรกเข้ามาแล้วเราดูในขณะที่เรานั่งแบบนี้เรานั่งนานๆเรานั่งเรานั่งเกียรเรานั่งปวดกีทของเราอาจจะไม่อยู่กับพุทโธเพราะมันปวดมากปวดตัวโตปวดหัวเข่าปวดหลังปวดคอปวดไหล่ปวดตรงไหนปวดจนเลืออดเลื้อทนหรืออดเหลื้อลั้นถ้าหากเราพุทโธพุทโธ เราเจ็บเาปวดมากๆเราก็มาอยู่กับเวทนาก็ได้ในระหว่างที่เราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นเรื่องของกายเราตามดูพิจารณามันเป็นการตามดูพิจารณาของคุกเป็นกายานุปัชชนาพระธรรมรธรรมะตัณหามันรุนแรงในหัวใจของเราเรามาพิจารณาเรื่องของของเวทนากลายเป็นกลายเป็นตามรู้เวทนา ตามรู้เวทนาเอาอะไรตามรู้เอากิตของเรานี่แหละซึ่งเต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยสมาธิเต็มไปด้วยปัญญาเนี่ตามรู้เวท น, าเ ว, น า, าเวทนาศักด์ที่ว่าเวทนาจริงๆถ้าสติของเราโรอยู่แต่ถ้าสติของเราไม่แข็งแรงพอตันหาก็แทรกเข้ามาโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดโอ้ยไรเราโอ้ยเอวเราปวดแล้วทนไม่ไหวแล้วต้องพลิกต้องเปลี่ยนแล้วนี่คือมันแทรกเข้ามาแล้วอันนี้คืออะไร คือปัญหามันมาบดมาบางังผมมาบดมาบังปับ๊บอวิชชามันก็มาครอบงานหัวใจของเราเราก็พลิกเราก็เปลี่ยนทั้งทสามที่ความเจ็บความปวดนะั้นมันเป็นเรื่องของสัจธรรมแต่เวลาสัจธรรมปรากฏแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะทนดูได้ทนพิจารณาได้ตรงนี้ละเอียดนะต้องฝึกเอาไว้ต้องฝึกเอาไว้ต้องศึกษาเอาไว้ต้องอบรมเอาไว้ต้องฝึกเ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อาไว้อย่างจรงิงจังนะการที่เราตั้งใจนั่งภาวนา น, นา น, น, าน เราได้ต่อสู้กับสิบ่งเหล่านี้มีรถมีชาติการต่อสู้กับเวทนานี้มีรถมีชาติจริงจริงมันอยู่กับวงนในตรงนี้จริงจรรู้ว่าตัณหาเกิดพอมันผลออกมาปั๊บปั๊บทันปั๊บปั๊บทันปั๊บปั๊บทันตัณหามันก่อตัวไม่ได้มันดับไปเพราะอะไเพราะสติเรากล้าสมาธิเรากล้าสมาธิกนุนปัญญาปัญญาสมาธิมันกนุนปัญญาสติสมาธิปัญญา การที่เราพยายามตั้งสติตั้งสติอย่างเต็มที่เรื่องของสตินะั้นมันเป็นเรื่องจำเป็นเราจะไดสมถะเราต้องอาศัยสติต้องหตั้งสติให้อยู่เร่ตลอดสติก็คือความรู้ตัวสติคือความโปร่งตัวสติคือการตื่นรู้เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเราพยายามฝึกแล้วเราจะรู้เราจะเห็นเราจะจับได้ ถ้าสติเราดี se, <catalyst S 1> สมาธิเราก็ดีสมาธิเราดีสติเราก็ดีถ้าสติเราไม่ดีสมาธิเราก็ไม่ดีปัญญาเราก็ไม่ดีเจริญไปเจริญไปเจริญไปถ้าสติเราไม่ดีอาวัญหาแทรกเข้ามาใชแล้วเจริญไปเจริญไปเจริญไปตัญหาแทรกเข้ามาใชแล้วที่คือบาจารให้เราทําสมถะด้วยแล้วก็ทําวิปัสสนาด้วยสลับกันไปนั้นจึงเป็นการถูกต้องเพราะการทําสมถะนั้นมันเป็นการสั่งสมพลังออกมาที่จิตของเรา เหมือนอย่างที่พวกเราทราบพลังจิตตามภาพพลังจิตตามภาพแต่พลังจิตตามภาพถ้าเราไปดูให้นอกนอกกรอบนอกเขตของงานก็เป็นเรื่องเราเสียหายเหมอนกันติดสมาธิบ้างติดริตริดเดทิติดอภินญาติดอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องผิดทางแล้วแต่ถ้ามีโดยลําพังเหมือนอย่างหลวงปู่มัานท่านมีงั้นแต่แล้วท่านก็ไม่ทิ้งสมาธิท่านท่านก็ไม่ทิ้งสติ ทสมาธิสามัญญาท่านไม่มิ้ปัญญากลายเป็นจิมนะ้ห น, นุนปัญญาขึ้นมาอานาพใดๆจะเท่าอานาพของสติของสมาธิของปัญญาที่จะมาต่ อ, อกอรกันกับกิเลสกิเลสทั้งหลายให้ร้าให้ทุกข์ให้โทษกับเราเป็นเหตุให้พวกเราเกิดเป็นเหตุให้พวกเราหลาบเป็นเห็นให้เราต้องต่อสู้ยิ่นรน่นสวนขวายทําไมเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายผีเพราะผีชาติไม่หยุดไม่ย่อน เพราะเราไม่เคยย้อมมาดูตรงนี้ถ้าเราย้อมมาดูที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนซึ่งเป็นหลักคําสอนชั้นเยี่ยมเป็นปรัชญาชั้นเยี่ยมที่พวกเราควรได้ยินได้ฟังควรสุดควรสอนให้กับตัวเองแต่ถ้าเราปล่อยให้หลุดมาหลุดมืไปเป็นเรื่องที่หน้าเสียดายมากเป็นเรื่องที่หน้าเสียดายแล้วเกินเหมือนกับว่าเราเกิดมาพบสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกอัศจรรย์อยู่แล้วแต่กลับเราไม่สนใจกล เ, เราไม่สนใจ การที่เรามาสนใจเรื่องเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติที่สร้างให้เกิดคุณสมบัติให้กับจิตเราเท่านั้นเราจะเจริญสมาธิเราก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับจิตของเราเรามาพิจารณาเกิดปัญญามันก็เป็นการเพิ่มคุณสมบัติให้กับจิตของเราจิตของเรามีคุณสมบัติด้วยการสันสมอบรมอยู่อย่างนี้ทานก็นตะล่มไปศินก็นตะล่มไปตราบใดที่เรายังมีพพชาไม่จบไม่สิ้นด้วยเหตุ ท, ที่เรามีทานมีสินอ มีภาวนาจึงทําให้เราเป็นไปในวัฏฏะสงสามได้สุบสบายขอให้เราปูพื้นฐานไว้ตรงนี้ตั้งใจเจริญสมาธิให้ยิ่งเข้าไปมีมีความสงบพอประมาณก็เรามาพิจรารณาพิจารณาถึงกองสังขารที่เป็นไตรลักษณ์นี้เองอเพื่อเห็นอนิจจังให้เห็นทุกขงังเห็นอนัตตาให้เห็ น, น, าา ใ, หหนให้เห็นอํานาจของตัณหาที่มันโผล่มายึดว่าเป็นเราก็าเป็นของของเรา มันโผล่ขึ้นมาชีไรเมื่อไรอัดตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมารักยาำดูตัวนี้เห็นให้เข้าใจถ้าเราปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรเนี่ยการถือเนื้อถือตัวการทะเลาะเบาแวงอะไรต่ออะรก็มันไปหยักตัวนี้ทั้งนั้นแต่ผู้ทีเจ้าท่านสอนสอนถึงอ้นบึ้งที่ทําให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเข้าใจที่ไปที่มาของกายของเราที่ไปที่มาของจิตของเราที่ไปที่มาของตัณหา กระแสของตัญหามันเกิดขึ้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันจะดับไปด้วยวิธีใดเรามาศึกษามาฝึออกฝนฝึกฝนอบรามาอยู่อย่างนี้จะทําให้เรารู้จักช่องรู้จักทางรู้จักอุบายรู้จักวิธีและได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเข้าสู่หัวใจของเราอันนี้เราไม่ได้พูดอย่างอื่นเลยพูดถึงๆๆเรื่องมาหมุนอยู่ตรงนี้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวัน ที่เป็นอุดมมังงคลที่เป็นสติที่เป็นมังมงคลซึ่งพวกเราซึ่งเป็นลูกฉิตลูกหาของหลวงปู่อุดมยานมอรีเป็นทั้งลูกเป็นทั้งหลานเป็นทั้งเหลนของหลวงปู่หลวงปู่ท่านมีอายุวัฒนะมงคลหนึ่งร้ยห้าปีโอ้หนึ่งยห้าปีอายุเกินร้อยไปถึงห้าปีอ่า ไม่ทราบตอนนี้ท่านอยู่วันหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ถามใครหลวงปู่ท่านอยู่ที่ไหนก็ตามพวกเราบูชาบุญคุณของท่านขอให้อายุวัฒนะมงคลของท่านดํารงธาตุขันอยู่เป็นร่มโพล่มไส่ขอพวกเราตลอดไปตลอดไปตามอัตภาพตามภาวะของของท่านของของท่านของท่านก็แล้วกันในสุดเราก็มอบหมาให้กับ ธรรมะคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่ยางนี้เราดูพวกเราบางคนก็มาเกิดมาเกิดมาเกิดเกิดที่แรกมาเกี่ยวข้องตัแต่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มาเรียนหนังสือมาจบมาทํา ง, งานมาอะไรอะไรเห็นท่านมาโดยตลอดเนี่ยเราดูมีอะไรสักอย่างคงที่ไหมไม่มีก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือความสุขกับความทุกข์ความสุขกับความทุกข์ถ้าเราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้จะทําให้เราไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะ เราทิ้งศีลไม่ได้เราทิ้งธรรมไม่ได้ถ้าเราทิ้งศีลทีไรถ้าเรา ท, ทิ้งธรรมทีไรเมื่อไหรล่ลืมตัว ล, ล, ล, ล, ลืมตัวลืมศีลลืมธรรมลืมศีลลืมธรรมลืมตัวลืมตัวทีไรเมรื่อไหรอัด ต, ตาตัวตนมันก็พล่ขึ้นมาไม่รู้จักภาวะของตัวเองคืออะไรเป็นอะไรไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะผิดศีลผิดธรรมก้าวล่วงละเมิดข้อหนักข้อเบาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้จัก ไม่เข้าใจอันนี้ทําให้เราจะได้มืดกลับไปบางทีเราอาจจะสว่างมาบางทีเราอาจจะมืดกลับไปก็ได้ด้วยเหตุที่เราลืมตัวด้นการไม่ลืมตัวไม่ลืมศีลไม่ลืมธรรมการไม่ลืมศีลไม่ลืมธรรมคือไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวไม่ลืมพ่อไม่ลืมแม่ไม่ลืมลูกไม่ลืมครูไม่ลืมอาจารย์วันเช่นนี้ก็เราถือเป็นวันที่เป็นโอรสสิริมงคล ตั้งใจกันมาบวชเนธรรมะทราบว่าตั้ง7 0 0อท่านโอ้สาธุตั้งตั้งใจมาฝึกฝนมาอบรมถ้าโลกของเราเต็มแปร่ไปด้วยพุทธบริษัทที่ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทุกย่อมของสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่เย็นเป็นสุครูที่เจ้าตามที่พวกเราได้ยินถือว่าพระองค์ก็ฝาก พระพุทธศาสนาไว้ห้0 0ัปี 5,000 ปีถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจทําอยู่อย่างนี้อย่าว่า 5,000 ปี 50,000 ปีห้าแสนปีก็ยังได้เพราะพระพุทธศาสนานั้นคือหลักสัจธรรมตราบใดที่พวกเราไม่ยึดไม่ถือมาเป็นข้อประยุติเป็นข้อปฏิบัติศัจธรรมเหล่านั้นก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนตราบใดช่วงใดการใดสมัยใดกลับใดมีผู้รู้ท่านมาขุดมาค้นมาเจอท่านเอามาบอกมาสอน สัตย์จะทำเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกทําให้เราได้มาฝึกฝนอบรมทําให้เรารู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวจะว่าแต่ห้าปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีก็สามารถทําได้พระพุทธศาสนาของเราเป็นพระศาสนาที่มีมานมนานเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะชาวพุทธบางท่านอาจจะชินชาก็ได้และลืมลืมความสําคัญของศีล ดึงความสําคัญของศินไม่เคยตั้งอกตั้งใจรักษาศินตั้งใจขาดตั้งใจได้บ้างขาดบ้างได้บ้างขาดบ้างแต่เรื่องการให้ทานนั้นพวกเราทั่วถึงกันหมดเรื่องการให้ทานให้มาตั้งแต่เด็กเล็กนูนตั้งแต่ปล่อยปล่อยยังไม่เป็นอันนัลูกปล่อยลูกปล่อยลูกปล่อยใส่บาตรลูกปล่อยลูกลู้แต่จับไม่รู้จับปล่อยใส่บาตรถาวายของครูบาอาจารย์นู้นเด็ก ถ้าตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเนะี่ยพวกเรามีโอกาสถึงขนาดนี้นะพวกเราชาวพุทธแต่พอโตมาโตมาบางทีก็ลืมศีลบางทีก็ลืมธารมบทธทีไปเกี่ยวข้องไปน้มเอียงไปอะไรต่อะไรก็ทําให้เราออกนอกลู่นอกทางออกนอกลูก่นอกทางออทางัทง้งทั้งที่เรามีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติอันเลอที่สุดในโลกถ้าหากเราพวกเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการหรือไมช่ชีอุบาสกอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาได้อยู่อย่างนี้พระพุทธศาสนาของเราก็เป็นหลักเป็นประธานให้อายุของพระพุทธศาสนายืนยาวต่อไปข้างหน้าให้เป็นสมบัติเป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานถึงเหลนต่อไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นแต่ความเป็นไปของโลคนั้นท่านทั้งหลายภัทยทั้งหลายทั้งปวงตามมามีมากมายมีทั้งภัยภายนอกมีทั้งภัยภายใน ภัยภายในก็คือกิเลสนี่แหละถ้าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมเราก็จะได้มารู้จักมันภัยภายในภัยภายนอกภัยต่างศาสนาเนี่ยเราก็ดูพยายามดูให้เป็นเราตั้งใจอยู่อย่างนีด้ด้วยเหตุที่พวกเราไม่ดาม่าไม่ว่าไม่ฆ่าไม่แก้ไม่อะไรต่ออะไรเราอยู่อย่างนี้เราอยู่อย่างนี้นไม่รู้่พระปุิธเจ้าท่านทรงตรัสเธอพิสุททั้งหลาย ต่อให้มีคนเอาเรื่องมาเรื่อเธอถ้าหากเธอยังโกรธเขาอยู่ไม่เชื่อว่ารูปศิษย์ของเราไม่เชื่อว่ารูปศิษย์ของเราเราจระทำได้ไหมทำได้มรรคผลยิ่งเจ้าไหมเราตั้งใจฝึกฝนอบอรมอย่างนี้อันนี้คือคุณธรรมชั้นเยี่ยมพวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกฝนอบอรมเพื่อที่จะทีไปให้พ้นพพพ้นชาติที่ทุกตันดานอยู่อโอคะโอกแองแต่งตันดานคืออ น, นิจจังทุกของอนัตตา คือแก่เจ็บตายคือแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบไม่สิ้นถ้าเราทิ้งตรงนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าพวกเราได้ข้อคิดข้ออ่านจากการที่เราประรธรรมสู่กันฟังมาก็น่าจะพอสมควรกับเวลาขอให้พวกเราทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจเสียสละด้วยทรัพย์ด้วยสติด้วยปัญญามาขวนขวายมาจับนุนบูชาหลวงปู่มาทำนี้บูชาหลวงปู่มาตั้งโรงทาน เพื่อบริจาคทานเพื่อช่วยจับช่วยสรรให้งานของครูบาอาจารย์รวมทั้งครูบาอาจาราย์พระเจ้าพระสงฆ์ตั้งอกตั้งใจจับทํางานเหล่านี้แต่ละปีแต่ละปีะปโดยเฉพาะอย่างวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่8ปดยังมีวันที่9้าแล้วก็มีวันที่10บอีกโอ้พวกเราตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่3วันถือว่าเป็นการมาสร้างสมุญญาบาระเมียจากตัวเองอ่า สิ่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ย่อมมีบุญเมียนิสงให้เราประสบความสุขความเจริญขอให้อานิสงส่วนนี้จงตามอํานวยอวยใจให้พรท่านทั้งหลายให้ได้รับความสุขได้รับความเจริญให้ตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งเจริญสมาธิให้ยิ่งเจริญปัญญาให้ยิ่งตั้งใจปฏิบัติให้ได้อัดได้ทำถึงความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน